ข้อความที่น่าสนใจบางตอนมีเรื่องโลกทิพย์โลกทิพย์เป็นโลกแห่งความคิดการคิดคือการกระทาและส่งผลให้เห็นทันทีทันใดตัวเจตนาที่แฝงอยู่เบื้องหลังการกระทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความสุขในโลกหน้ามีใัยจะซื้อได้ด้วยปริมาณเงินที่ทำบุญลงไปการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแม้เล็กน้อย ถ้าทำด้วยความเต็มใจและด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจริงๆย่อมมีผลในโลกทิพย์มากกว่าที่ทำมากมากด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์หลังจากความแตกดับแห่งกายแล้วบุคคลจะเข้าถึงสภาวะอันสูงส่งหรือต่ำทรามอย่างไรก็สุดแล้วแต่ตัวของเขาเองมีบุคคลเป็นจานวนมาก ซึ่งแม้จะไม่ได้ทําอันตรายผู้อื่นใดแต่ก็ไม่เคยได้ช่วยเหลือผู้ร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเลยขณะที่มาอยู่ในโลกมนุษย์บุคคลประเภทนี้คิดถึงแต่ตนเองเท่านั้นไม่เคยรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเลยวิญญาณดังกล่าวกล่าวอ้างเหตุผลอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ทําอันตรายผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ก็นั่นแหละเขาได้ทําอันตรายตนเองแล้วโดวยไม่รู้สึกตัว บุคคลเป็นจำนวนมากที่เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์จะรู้สึกว่าตนเองเล็กนิดเดียวจนดูเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยในโลกทิพย์และก็มีบุคคลเป็นจำนวนมากที่มาอยู่ในโลกมนุษย์อาจาไม่มีผู้ใดรู้จักชื่อเสียงเลยแต่เมื่อมาสู่โลกทิพย์แล้วกลับปรากฏว่าตนมีผู้รู้จักมากมายจนรู้สึกเตือนตันใจเกือบจะพูดไม่ถูกทีเดียวไม่ว่าบุคคลจะมีอานาจวาสนาเพียงใดในโลกมนุษย์ สิ่งที่เราจะนำติดตัวไปด้วยได้ก็คือความหยาบหรือความประนีตแห่งจิตของเราเท่านั้นในโลกทิพย์ไม่มีผู้ใดคิดคำหนึ่งถึงตำแหน่งของบุคคลในโลกมนุษย์อีกต่อไปการกระทําและความคิดของเราในโลกมนุษย์จะเป็นพยานส่งเสริมหรือปรากปรำเราแล้วเราก็จะเป็นผู้พิพากษาตนของตนเอง ข้อความจากพระไตรปิฎกความรู้แจ้งเรื่องโอปปปาติกะเป็นรากฐานสำคัญของสัพพัญญุตญาณโอปปปาติกะคือกำเนิดประเภทหนึ่งที่ผุดขึ้นโตทันทีเช่นเปรตสัตว์นรกเทวดาพรหมเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอาธิเทวญาณทัศนะของเราคือการรู้การเห็นเกี่ยวกับเรื่องเทวดาทุกชั้นและทุกอย่าง อธิเทวญาณทัศนะของเราถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดเราก็ไม่ปฏิญาณว่าเราได้บรรลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแต่เพราะเหตุที่อธิเทวญ า, าณทัศนะของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณว่าเราได้บรรลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ